มเมื่อเช้าได้ฟังข่าวซึ่งอาจจะเป็นข่าวร้ายนะสำหรับคนขับรถในกรุงเทพไม่รู้รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยหรือเปล่าก็คือว่าทางตำรวจนี่เขาว่าเขาจะตอนนี้กำลังกวดขันแล้วคงจะกวดขันไปอีกนานเรื่องการใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่รถนะอันนี้เราคงดีได้ฟังมานานแล้วแต่คนนี้เนี่ยเาจะเข้มงวดถึงขั้นว่าแม้จะ จอดขณะที่รถติดนะก็ห้ามหยิบโทรศัพท์นะมาโทรนะหรือว่าห้ามใช้โทรศัพท์เลยนะขณะที่จอดรอไฟเขียวเนี่ยห้ามขนาดว่าแค่เอามาดูรูปก็ไม่ได้นะบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้โทรไม่ได้แชทไม่ได้ใช้ไลน์นะแค่ดูรูปหรืออ่านข้อความตำรวจบอกว่าก็โดนปรับเหมือนกันนะแล้วเขารู้ได้ยังไงนะเขามีกล้องนะ เขาบอกว่าเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยแม่นยา ม, มากทะลุฟิล์มออกไปเลยเนี่ยก็าสามารถจะเห็นคนขับเนี่ยทำอะไรอยู่ในรถนะว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าแแค่ดูก็ไม่ได้นะไม่ใช่แค่ห้ามโทรเท่านั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้คนขับรถในกรุงเทพนี้มีความหงุดหงิดมากขึ้นนะเพราะว่ารถติด น, นี่ก็ เป็นทุกอยู่แล้วนะทีแรกคิดว่าเออรถติดไม่เป็นรายนานแค่ไหนก็ได้นะค่าเวลาด้วยการม า, าดาูวิธีดูโทรศัพท์หรือว่าใช้โทรศัพท์ขณะที่รถติดเนะี่ยตอนนี้เขาห้ามแล้วนะก็จะเรียกว่าเป็นข่าวร้ายนะสำหรับคนขับรถในกรุงเทพแต่มองว่า จะเป็นข้อดีหรือข่าวดีก็ได้นะเพราะว่าพอใช้โทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เรา ข, นขวนวควในการที่จะทำอย่างไรเพื่อจะให้ใจไม่ทุกข์ไม่ให้หงุดหงิดนะกับรถติดตรงนี้แหละนะมันเป็นโอกาสนะในการที่เราเนี่ยจะมาใช้วิธีอื่นแทนซึ่งอาจจะดีกว่าการใช้โทรศัพท์ก็ได้เช่น กลับมาตามลมหายใจนะรถติดอ่าติดก็ติดไปนะแต่ว่าเราจิตของเราเนี่ยไม่ตกไม่รุ่มร้อนอคนจำนวนมากนี่พอรถติดนี่จิตตกเลยเพราะว่าหงุดหญงิดหงุดหงิดเพราะอะไรนะหงุดหงิดเพราะว่ากังวลว่าจะไปถึงที่หมายได้ช้าอาจจะคิดเลยต่อไปถึงว่าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทัน หรือว่าไปโรงเรียนไม่ทันจริงๆแล้วไอ้ที่คิดไปอย่างนั้นเนี่ยมันอนาคตทั้งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่ากังวลไปแล้วล่วงหน้าและความที่คิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่ก็สร้างความทุกข์แก่ผู้คนมากอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเนี่ยเป็นทุกเวลารถติดรถติดนี่มันก็เพียงแต่ทาใหา้เดินทางได้ช้าลง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ใจเราตกตามไปด้วยมาคิดดูให้ดีนะเราเสียเวลาไปแล้วพอรถติดก็ไม่ควรเสียอย่างอื่นไปอีกนะแค่เสียเวลานี้ก็พอแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เสียเวลาไม่พอนะยังปล่อยให้ความสุขความปกติเสียไปด้วยเพราะเอาแต่คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เลยกลัดกังวล ท่นน้าที่รถเนี่ยก็รถติดแอทั้งที่รถนี่ก็เปิดเพลงเพราะนะแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนกายเย็นแต่จิตใจรุ่มร้อนเพราะวางใจไม่เป็นแต่ถ้าเราใจมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะหรือว่าใครถนัดสร้างจังหวะอาจจะสร้างไม่ถนัดก็มาครึงนิ้วก็ได้ครึงนิ้วกระดิกนิ้วให้ใจอยู่กับกายนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกาย นะรู้ลมหายใจที่เข้าออกรู้มือที่เคลื่อนไหวรูน้นิ้วที่กระดิกนะใจมันก็ไม่ก็มีที่มีที่พักที่อาศัยไม่ไปคิดถึงอนาคตเพียงมาไม่ถึงหรือปรุงแต่งไปในทางร้ายนะใจก็สงบได้ลถติดนะจิตไม่ตกจิตเป็นปกติก็กลายเป็นว่าติดเท่าไหร่ก็ไม่กลัวเพราะว่าเราได้สตินะได้ความสงบ อันนี้เรียกว่าได้กําไรนะรู้จั ก, จกช่วยโอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้โอกาสนี่มันมันเล่นงานจิตใจของเรานะอย่าให้มันกระทํากับเรานะเราต้องกระทํากับมันก็คือเอามันมาใช้ใเป็นประโยชน์เวลาเห็นไฟแดงนะถ้าทําแบบนี้เห็นไฟแดงนี่ก็ไม่กลัวแล้วไม่หงุดหงิดนะเพราะไฟแดงกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันไฟแดงก็คือหยุดฟุ้งซ่านนะ ไฟแดงคคอหยุดฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้มันก็กลายเป็นเครื่องเตือนสตินะหรือว่าใช้เวลาใช้โอกาสนี้เนยในการพูดคุยกับคนในรถก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นคู่รักของเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนเป็นลูกถ้ามีคนนึงนะเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ชอบสอนลูกนะให้รู้จักมองอะไรต่างๆในแง่บวกแล้ววันหนึ่งรถเกิดติดขึ้นมาเขาก็ถามลูกว่ารถติดเนี่ย มีประโยชน์ยังไงบ้างรถนะติดมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะลูกก็คิดอยู่นานสุดท้ายลูกก็บอกว่าก็ทําให้พ่อคุยกับลูกไงเนะพราะถ้ารถไม่ติดนี่พ่อก็เอาแต่มองไปข้างหน้าแต่พอรถติดอ่าไม่มีอะไรทําพ่อก็คุยกับลูกเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นการใช้เวลาให้มีประโยชน์กลายเป็นว่ารถติดนี่กลายเป็นของดีนะเป็นของดีนะทําให้ได้ทําสิ่งดีๆ ทั้งการเจริญสติการทำสมาธิหรือว่าการได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนในบ้านคนในครอบครัวด้วยการพูดคุยนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มีข่าวว่าตำรวจนี่เข้มงวดนะถึงขั้นตรวจจับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งในเวลาที่รถติดนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะมันเป็นการบังคับไก ล, กลให้เราเนี่ยกลับมาตามลมหายใจกลับมา เจริญสตินะกลับมาพูดคุยนะกับคนในบ้านในขณะที่รถยังไม่เคยเงี้ยงขยับนะทจริงเนี่ยถ้าเราใช้โอกาสรู้จักโชวโอกาสแบบนี้เนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ยนะเรียกว่าเก้าสิบกวปรเซ็นต์เลยก็จะรีบ ไปรับท่านาทีตอนนั้นอาจกําลังกินข้าวอยู่กําลังคุยกับลูกกําลังคุยกับพ่อหรือว่าบางควั้จะกําลังนั่งสมาธิอยู่ก็ได้ทําอะไรก็ตามหรือแม้แต่ประชุมเนี่ยพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ปุ๊บนี่ไปรับเลยแล้วไม่ได้ไปรับเปล่าๆ ว, วิ่งไปรับนะหรือว่าไปแบบไม่แบบร้อนรนนะเสร็จแล้วไอ้ความร้อนรนหรือการไม่มีสติเนี่ยมันก็ทําให้เวลาคุยโทรศัพท์ก็อาจจะ พูดอะไรไปนะที่หลุ ด, ลดปากออกไปก็ได้อันนี้ก็สร้างปัญหากับคนมากนะเพราะว่าการสื่อสารไม่ลดเหลือไม่ทันได้ยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าเกิดเราตั้งกติกากับตัวเองว่าเออเวลามีเสียงโทราศัพท์ดังนะเราจะไม่รีบไปรับทันทีเราจะกลับมาอยู่กับใจของเราไม่ว่าเราจะทำแล้วก็ตามเราจะกลับมาตั้งสติแล้วก็ หลังจากที่มันดังไปแล้วสองครั้งหรือสามครั้งนะจึงค่อยไปรับและระหว่างที่ไปรับก็เดินอย่างช้าช้าเดินอย่างส ง, ง่าก็ได้นะไปรับอันนี้ทําให้เรามีสติในการพูดคุยเราจะไม่ใช่กลายเป็นคนที่รนนะเราจะไอเสียงโทรศัพท์มันก็จะกลายเป็นเครื่องเตือนสติเราเราอาจจะกําลังง่วนอยู่กับงานการเราอาจกําลังกลุ้มอกกุ้มใจ คิดฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยพอเสียงโทรศัพท์ดังเอากลับมาอยู่กับตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับกตัวแล้วก็เดินไปรับนะีเป็นการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะที่ทําได้ไม่ยากนะที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัตินะนี่ยปฏิบัติแล้วนะอย่าให้โทรศัพท์มันเป็นนายเราเดี๋ยวนี้เราปล่อยโทรศัพท์เป็นนายเรานะไม่ว่าเราจะอยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่พอเสียงโทรศัพท์ดังปุ๊บทิ้งเลยนะ วิ่งไปหาเสียงโทรศัพท์เอาวิ่งไปตามเสียงโทรศัพท์เราไม่รู้หรอว่านี่เรากาลังเป็นปล่อยให้มันเป็นนายเราแล้วเราต้องเป็นนายมันก็คือว่าให้มันเป็นเครื่องเตือนใจเราใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีสติ mm hmm. นะไม่ลุกลี้ลุกลนไม่ไม่ทำอะไรร้อนลนจนลืมเนื้อลืมตัวนี่เราสามารถจะใช้เหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจเราได้เดีย๋ยวนี้โทรศัพท์ก็มีแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งนะโทรศัพท์มือถือก็คือนับวันถอยหลังเขาดาวชีวิตนะถอยหลังว่าชีวิตเราเนี่ยเหลืออีกกี่วันกว่าจะตายเดีย๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันนี้เรียกว่าเขาดาวชีวิตนับถอยหลังชีวิตนะว่าตอนนี้เวลาเราหายไปอีกหนึ่งวันแล้วเวลาเหลืออาจจะเหลือสี่พันวัน บางคน่าจะเหลือหนึ่งพันวันนะตั้งเอาได้นะมันตั้งเอาได้แล้วก็ดูโทรศัพท์แต่ละวันก็เตือนใจว่าเนี่ยเวลาเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้วทำความดีมากพอหรือยังนะภารกิจการงานต่างๆสะสางเสร็จแลนะ้วยังใช้โทรศัพท์เป็นประโยชน์นะในการเตือนสติดีกว่าที่จะให้โทรศัพท์นี่มันทำลายสติของเราเตรียมรับพร